วันนี้เป็นวันที่สามสิบมถุนายนพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบห้าเป็นวันเสาร์ด้วยวันนี้เช้า ว, วันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนข้อพันษารู้สึกว่ า, า, าศรัทธาญาติโยมก็เงียบเงียบไปช่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งก็เข้ามากับคราวะกูบาลยานพวกอยู่ทางไกลก็เห็นผ่านมาอยู่แต่โดยมากก็พวกอยู่ใกล้เารู้สึกเยียบวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่น้องลูกหลานมาวัดไม่มากคงจะเตรียมวันเข้าพรรษาด้วยเศรษฐกิจไม่ดีคงไม่รู้ล่ะเพราะหลวงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพ่แต่ถึงยังไงลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยม ที่หลวงพ่อให้ธรรมะเรียกว่าให้แนวความคิดจะเป็น MP3 และเป็นหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MP3 เพราะยังไม่ได้ถอดออกไปเป็นตัวหนังสือแต่เป็น MP3 เป็นแนวความคิดมากลากลายแต่เมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้รับจดหมายทวงติงมาแต่ว่าคือลักษณะสร้างสรร ลักษณะสร้างสรรค์และก็ตำหนิไกลๆแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอกตอนหลวงพ่อรับได้ทุกสถานการณ์ฟังได้ทุกคู่คนที่ตำหนิดได้ชมมาแต่หลวงพ่อดูๆแล้วก็เออเหมือนกับว่า MP3 ที่หลวงพ่อให้ไปแจกไปเ น, นี่ยว่าหนังสือก็ดีเอ็มพีสามก็ดีที่หลวงพ่อให้ไปแจกไปก็เหมือนกับฟังแล้วไม่จุใจ ไม่จุใจไม่ถึงใจไม่เหมือนองค์นั้น อ, องค์นั้นท่านพูดดีกว่าดีกว่าที่หลวงพ่อได้แสดงไปพูดไปแต่ใน MP3 าหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดไว้มากลากหลายถ้านเราได้ฟังจะเว้นเสอจะไปฟังกันใดกันหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งก็อาจจะมีความคิดแคบ แต่ถ้าว่าเรามองในท่านเราได้ฟังได้ศึกษาในมุมกว้างแล้วเราจะรู้ว่าหลวงพ่อพูดในมุมไหนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าการเทศเราจะให้ได้ทุกอย่างเพราะนั้นการศึกษาเราจะจะได้จากครูคนเดียวหมดทุกอย่างก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยาก อย่างพวกเราเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษานะตั้งแต่คนแรกแล้วก็จบปริญญาเอกกับขู่คนแรกจะเลยก็คงอย่างนั้นก็คงจะยากคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถว่าเป็นทิฏะปามโมกอาจารย์ในครั้งพุทธกาลอันนั้นเราเกิดมาทีหลังเราก็ว่าท่านว่าเป็นอัจฉริยะพอทุกสิทธิ์เข้าไปเรียนในีระแปลว่าจบอยู่ในนั้นเกือบทั้งหมดอันนั้นว่าอาจารย์เป็นอัจฉริยะ แต่นอกจากนั้นมาแล้วที่อาจารย์เห็นเห็นมาในยุคปัจจุบันครูภาษาและก็ครูคณิตครูภาษาอังกฤษครูวิทยาศาสตร์และก็มีหลายครูอีกต่างหากพอขึ้นไปจบมัธยมปริญญาตรีเข้าไปแล้วยิ่งแยกแขนงอีกจนจะนับไม่ทวน วิชาในโลกมันมีมากลากหลายแต่นในวิชาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่หลวงพ่อให้ไปด้วยว่าเทศนาไปหรือว่าบอกกล่าวไปหลวงพ่อกปูพืชตั้งแต่เรื่องทําตนให้เป็นคนดีรู้ไหมคนดีนั่นคืออะไรคิดดีนั่นคืออะไรอันไหนคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราคิดอย่างไร จงว่าจัดว่าเป็นมิจฉาทิตฐิคิดยังไงจึงเป็นสัมมาทิฏฐิทำยังไงการกระทาอย่างไรที่ว่าทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิทำยังไงการกระทาออกไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดยังไงจึงเป็นสัมมาทิฏฐิพูดยังไงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอันนี้ หลวงพ่อเองก็ิะชี้แจงให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต้องยกทมคำสอนของพระพุทธเจา้าหรือยกทมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่เราก็ยกใส่บนหัวบนศีรษะยกเทิดทูนไว้ที่สูงแต่เราก็ไม่กล้าเอามาวิเคราะห์วิจารณ์แต่เราเน้นหนักเรื่องทมคำสอนของพระพุทธเจา้าเอามาเป็นกระจกเงาเอามา เป็นแบบฉบับจากนั้นมาก็เอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนเข้ากันได้ไหมกับหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แต่ถ้าว่าเข้ากันไม่ได้บางทีความเห็นของท่านนสวนทางแล้วว่าไม่เข้าไปในแนวแถวที่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เราก็ต้องเอามาวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตํำหนิ อย่าพึ่งไปให้โทษอย่าไปพึ่งให้คุณ อ, อ, อย่าไปยกย่องแล้วก็อย่าไปอย่าพึ่งให้โทษเราต้องยกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ก่อนทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าปรมาจารย์ไหนก็ตามเราต้องเอาไว้ก่อนแต่อย่าพึ่งไปตำหนิท่านจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์อีกว่าแนวความคิดตัวนี้ท่านยกประเด็นไหนเข้ามาเป็นหลัก อ, อ, อย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดว่า ปัญญาอบรมสมาธิอย่างนี้พอได้ยินทีแรกก็ผู้คนทั้งหลายก็ฮือฮากันพราะพวกเราได้ยินแต่ว่าสมาธิอบรมปัญญาสิงอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าหลวงตากลับพูดว่าปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ทีแรกก็อได้ยิน ผู้ได้รับการศึกษาหรือว่ามาหาป ร, รียนทั้งหลายผู้เจ็นจบในพระไตรปิฎกก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมพูดอย่างนี้แต่พอฟังเข้าไปเนื้อหาสาระแล้วก็ยอมรับว่าอืมคำว่าไม่มีในพระไตรปิฎกจริงแต่ว่าวิธีการที่ทำอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้คล้ายๆว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ย ในเมื่อจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจะเอามาสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันไม่อยู่จะบังคับยังไงมันก็ปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดแล้วจะเอาอยัางไงอันนี้ท่านก็ตอบบอกว่าเอาความฟุ้งนั่นแหละแต่ให้มีสติในความฟุง้งให้พิจารณาร่างกายใหามันฟุ้งไปตามร่างกายเห็น พิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหอยใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าคลี่คลายดูให้ชัดเจนจากนั้นก็นับข้อนิ้วมือเต่อนนิ้วละนิ้วจนมาถึงฝ่ามือจนถึงแขนกระดูกดูซิกระดู ก, ด ก, ดกทุกท่อนเป็นยังไงจนเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วก็ทบทวนอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่ครั้ง จนใจนิ่งปพอใจนิ่งมองจุดเราเห็นชัดกระดูกท่อนไหนที่ในร่างกายของเราชัดเจนกระดูกในร่างกายของเราเราก็เอาจิตหรือเอาสติกาหนดอยู่จุดนั้นไม่ให้มันปรุงออกไปทางอื่นไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเอาอยู่จุดที่เราเห็นชัดในร่างกายของเราในเมื่อเห็นร่างกายชัดจิตใจก็รวมสงบพอมันไม่ออกไป้างนอกอันนี้เรียกว่าใช้ความคิดตล่อม ให้จิตอยู่ใช้ปัญญาแนวะความคิดนะมันคิดคิดคิดมันจะคิดกับมันคิดไปแต่ให้คิดอยู่ในกรอบผลี่สุดจิตก็รวมสงบได้อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาแล้วก็ทำให้จิตใจสงบนี่แหละคือลงตาท่านอธิบายอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะทำอย่างนั้นเพราะได้ผลมาแล้วอันนี้ทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน เราจะไปมองมุมใดมุมหนึ่งจะตำหนิองใดองหนึ่งไม่ได้ในทำคําสอนของท่านท่านพูดเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องสมาธิเป็นยังไงเรื่องปัญญาเป็นยังไงแต่หลวงพ่อพอมาถึงปัญญาหลวงพ่อก็บอกว่าเรื่องปัญญาเนี่มากลากหลายแต่สุดแท้แต่ใครจะชอบอะไรคนหนึ่งก็ชอบแนวความคิดของครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคนหนึ่งก็ชอบแนวความคิดของครูบาอาจารย์องค์หนึ่ง แต่ว่าเราอย่าพึ่งไปปามหมาท่านว่าท่านพูดผิดหรือท่านพูดถูกเราต้องศึกษาให้ถีท่วนซะก่อนในเมื่อเราศึกษาให้ถีท่วนแล้วชัดเจนแล้วเอออันนี้เราคงจะไปอย่างที่ท่านพูดไม่ได้ เ, เราต้องใช้อีกแบบหนึ่งแบบนี้เราจะวิวิธีการไปอย่างนี้ที่ท่านอาจารย์องค์นี้พูดหรือใช้ได้เราดูดูลักษณะเข้าเข้ากันได้กับธรรมเทศนาของท่าน ที่ท่านจะไปอันนี้คือเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราไม่ได้เกิดมาในยุคครั้งพุทธกาลถ้าเราเกิดในครั้งพุทธกาลขนาดเราภาษาริบุตรเป็นพะระอรหันต์อบรมลูกศิษย์ไปยังไม่ได้สำเร็จผล น, นิสุดเกิไปรกาศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอบรมจึงได้สาเร็จในตำบับตาําราในพระไตรปิฎกก็มีพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนอันนี้เป็นวิสัยของพุทธ เราเท่านั้นที่จะสอนเย็นนี้แหละตอนเย็นวันนี้เขาจะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ก็มีในพระไตรปิฎกเพราะนั่นการแนะนําสั่งสอนสิทธิาณู้สิทธิลัคนาศาาตายาโยมเลยจะให้ไปแนวแถวจะให้มันได้ใจของเราทุกคนเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั่นให้พวกเราฟังให้ศึกษาเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้แต่อย่าเพิ่งไปประมาทท่านเมื่อเราได้ยินองค์ไหนมา ก, ก็ตามเราต้องฟังไว้ก่อนเนีในฟังแล้วก็ มันเข้ากันได้ไหมกับแนวความคิดของเราถ้าเรามันเข้ากับแนวความคิดของเราไม่ได้ เ, เราก็ต้องเอาไว้ตรงนั้นก่อนอแล้วก็ศึกษาอีกในเมื่อเราเอาแนวความคิดเข้ากับเราไดา้ปฏิบัติไปตามแนวแถวนี้ได้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังทำคำสอนของท่าน อ, าอย่างที่พมพ่อพูดแล้วพูดอีกว่าปัญญา ไ, ไม่อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ท่านได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างไรท่านก็ได้แนะแนววิธีการของท่านมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราแต่พวกเราฟังแล้วอ ม, มันไปไม่ได้มันเข้าใจไม่ได้อย่างพระประจรัจเจ้าพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราได้ศึกษาในพระตไตรปิฎกพระปัจเจกเห็นใบไม้เหลืองเท่านั้นใบไม้หล่นลงมาแล้วว่าเห็นของไม่เที่ยง เ, เปลี่ยนสภาพเห็นอันดิจังเพราะเห็นอนดิจัง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นจิไห น, นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายท่านก็เป็นพระปฏิจเจกพุทธเจ้าได้ในเดียวนั้นเลยได้ตักรู้เป็นพระปัิเจกพุทธเจ้าแต่ที่ท่านจะนํำทำที่ท่านได้ปฏิบัติมานั้นไปบอกให้แกศรัทธา ญ, ญาโจมไปพูดให้ใครฟังเขาก็งงเหมือนไก่ตาแตกไม่รู้จะทํำยังไงและทําคิดได้ยังไง ทำไมยังขั้นยังคิดอย่างนั้นก็ผลในสุดพระประเจกพุทธเจ้าเลยไม่สอนใครเพราะมันเป็นของปัจเจกเป็นปัจเจกพุทธะเป็นของใครของเรารู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะใครเฉพาะเราเพราะนั้นพระประเจกจึงไม่มีทำคําสอนให้แก่พุทธบริษัทสี่เมื่อท่านถึงเวลาท่านมรรคผลนิพพานบารมีของท่านแก่กล้าแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองจากนั้นก็เลย ตัจรุเองเออเป็นสาเร็จปจเจพุทธะเอกนี่แหละอันนึงคือปจเจพุทธะแต่สาวกาพุทธสาวกาผู้ดับคือสาวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะว่าสาวกสาวกาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนเหมือนกับเราเป็นเด็กเแบบี้เกิดมาใหม่พ่อแม่จะให้อาหารประเภทไหนไม่ใช่ว่าจะตัก น้ำแกงเหมือนกับผู้ใหญ่กินชดเขาเ้าไปในปากเด็กเพิ่งเกิดใหม่เราคิดดูให้ดีใช่ไว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อเด็กเกิดใหม่แล้วก็ต้องให้อาหารอีกแบบหนึง่งเเมื่อใหญ่ขึ้นมาระดับไหนควรจะให้อาหารประเภทไหนจนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเราเร า, เร า, เราท่านท่า อ, อแต่ก็อย่างนั้นก็ยังเลือกอีกต่างหากคนแต่ละคนอาหารก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก คำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะเอาองค์นั้นมาใส่องค์นี้เอาองค์นี้ไปใส่องค์นั้นถ้าไม่ใส่ลูกศิษย์โง่แล้วจะว่าอะไรจะเนี่ยไม่รู้จักแยกแยะคนมันมีมากมายหลายอย่างอวดดีอีกต่างหากเพราะฉนั้นพวกเราลูกศิษย์หลวงพ่ออินฟังเอาไว้และเขาก็บอกว่ามีเมธี เวท่านหนึ่งมาอยู่ที่นี่เห็นแล้วออกไปเขาว่าเขาเลือกผิดเดี๋หลวงพ่อก็เลยบอกเออเขาเลือกเราผิดเราก็เลือกลูกศิษย์ผิดเหมือนกันว่ะไอ้ทั้งที่ลูกศิษย์จะเข้ามาเพื่อการศึกษาพอเข้ามาแล้วก็หาเรื่องหาเราใส่อาจารย์อีกอาจารย์ก็อยู่เฉยๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยจะว่าแต่ลูกศิษย์เลือกผิดก็ได้นะ่ะอาจารย์ก็เลือกลูกศิษย์ผิดเหมือนกันอย่างพระเทวทัตเอ๊ะทำไมเราจึงเลือกพระพุทธเจา้าเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นเราไม่เอาพระพุทธเจา้าท่านก็คง เ, เราก็เลือกลูกศิษย์ผิดเหมือนกันทํำไมเราเลือกเทวทัตมาเป็นลูกศิษย์เราฮะมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะั่นแหละถ้าเราจะใช้ความคิดมาพิจารณาเรื่องเหตุและผล เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังน่คือเป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อได้ฟังมานานาจิตตังนานาทัศนะเ่ยเพราะนั้นพวกเราหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเห็นพระมาจากทางอื่นมาแล้วมัน ม, ม, มานวดท่านโดยมากก็มาขอหนวดเส้นตอนเย็นเป็นอาจารย์หนวดถวายท่านท่นานก็ถามเลยเป็นไงไปอยู่กับหลวงปู่นั้น ไปยังไงไปอยู่กับหลวงปู่เน่ท่านก็จะถามถ้าองค์นั้นปากไม่ดีนะบอกโอไปอยู่กับท่านเป็นยังไนเป็นยังไงเป็นยังไงถ้าไปตําหนิท่านในทางที่ลบนะ่ะหลวงตามหาบัวท่านจะบอกเนี่ยท่านอง์นี้นิสัยไม่ดีถ้าออกจากเราไปก็คงจะตําหนิเราอย่างที่ท่านตําหนินะจะให้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างใจท่านได้ยังไงอเ น, นียกครูบาอาจารย์คือเป็นอุปนิสัยของท่านจะให้ได้อย่างใจท่านมันได้ที่ไหน ใจของท่านนี่ใจบริสุทธิ์ได้อย่างมันใจไปเต็มไปด้วยกิเลสจะให้มันถูกใจท่านทุกอย่างเป็นไปได้อย่างไรถ้าเผลออย่างนี้เราไล่หนีอีกนะต่อไปมาอยู่กับวัดเราออกไปมันจะตำหนิเราอีกนีพระองค์นี่นะอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ท่านต้องรอบคอบพอสมควรทบทวนพอสมควรว่าอันไหน ควรไม่ควรอย่างไรจะให้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนเรื่องการแนะนําสั่งสอนก็เหมือนกันเราจะให้มากขนาดไหนเกินภูมิของเราขนาดไหนอันดับแรกคือเรื่องเอา้าให้เป็นคนดีก่อนนะ้พวกเรานะ้ลูกหลานทุกคนนะดีรู้จักไหมรู้จักไหมดีถ้าไม่รู้จักดีเราก็ไม่รู้จะสอนอยังไงอีกต่อไปถ้าขนาดกอไก่ก็ยังไม่รู้จักแล้วจะไปสอนข้อไขข้อขวดถึงหอน้องพกได้ยังไง รู้จักไม่ดีทําตนให้เป็นคนดีนั่นคืออะไรลูกที่ดีนั่นคืออะไรลูกศิษย์ที่ดีนั่นคืออะไรอาจารย์ที่ดีนั่นคืออะไรพ่อแม่ที่ดีนั่นคืออะไรผู้ใหญ่ที่ดีนั่นคืออะไรเด็กที่ดีนั่นคืออะไรถ้าเด็กเออพอทํานองนะเพราะมันเกิดใหม่มันยังไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วกําลังเรียนอยู่แต่ผู้ใหญ่ในผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านดีผ่านชั่วผ่านหูผ่านตามา มากต่อมากแล้วอันนั้นควรจะแยกแยะได้แล้ว น, นั้นคือผู้ใหญ่นีผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดีนั่นคืออะไรเนีควรจะแยกออกและจะเดินอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วหลักของหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญานะกนัชตาไทยญาติโยมลูกหลานนะจากนั้นกันเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดว่าปัญญาอบรมสมาธิของหลวงตาท่านทําอย่างไรนะ ให้ใช้เวลานั่งสมาธิเนี่ยนะถ้ามันคิดจิตใจปุงฟุง้งเราอย่าให้มันฟุ้งแบบตลบไม่รู้จักทางไปทางมาคิดออกไปนอกลกูนอกทางถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดอยู่ในกายกายยนคร อ, อยู่ในกายเกษาผมโลมาขนนากขาเล็บทันตาวันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้ดูอยู่ในร่างกายให้มันอยู่ในนี้ อยาให้มันออกไปข้างนอกถ้ามันอยู่ในนี้อยู่ตลอดนะี่ยใจของเราจะสงบโปร่งไดไม้มันปรุงไปเพื่ออะไรมันฟุ้งไปเพื่ออะไ ร, ม, ไออะไรมันได้อะไรเอ่โลกอนนี้มันเป็นโลกสวรรค์วิมานอย่างงั้นใช่ไหมเอ่มันได้อะไรเห็นแต่ทุกคนก็เห็นแต่จุดจบอันนิจจังทุกขังอนันตาเพียงแค่นั้นเราจะไปปรุงฟุ้งไปอะไรดูสิดูใจของเราสิ ทางพวกเราดูใจดูตัวของเราแล้วนั่นแหละอสรุปแล้วก็คือให้มองใจให้มองตัวเองอย่าไปมองคนอื่นให้มองตนเองฮถ้าทุกคนมองตนเองแล้วปัญหาจะไม่มีแต่พวกเรามองคนอื่นะคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นนั้นอาจารย์องค์นั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์องค์นี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์กับองค์นั้นคงจะเป็นอพระรหันต์อาจารย์องค์นี้เป็นพระสกทาคามี อาจารย์อนั่งคงจะเป็นอนพวกกลุ่มจะพวกสัตว์นรกอันตัวเองแหะเป็นอะไร ห, ะหลักถามคําสอนยต้องไปถามตัวเองว่าตัวเองนั่นคืออะไรเป็นอะไรให้ดูตนเองดูคนอื่นอย่างนั้นะคนนั้นเป็นเศรษฐีคนนั้นเป็นเศรษฐีแต่ตัวเองขี้เกียจข้าวกอกหม้อแต่ละวันก็ยังไม่มีจะเป็นคนทุกข์อย่างเก่านั่นหาข้าวจะกินก็ไม่มแต่ปรรยายไปไล่ ว่าคนนั้นเป็นเจตีคนที่เป็นเจตีจะเกิดประโยชน์อะไร เ, เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่ดีที่สุดละอย่างเราสมบูรณ์ล้อย่างให้มองตนเองถ้ามองตนเองแล้วนะเลิศประเสริฐที่สุดในหลักธรรมคำสอนตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร